ห้องสมุดหลังไมโดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองตอนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมนะคะวันนี้เดินทางไปที่จิตตะนครกันต่อเป็นตอนที่5ค่ะจากพระนิพน์ในสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจิตตะนครค่ะคุณฟังท่านไหนที่ฟังแล้ว สนใจอยากจะไปอ่านต่อด้วยตัวเองก็สามารถที่จะหาหนังสือเล่มนี้ได้นะคะตามร้านหนังสือโดยทั่ ว, วไปจิตตะนครของสำนักพิมพ์ธรรมดาราคาเล่มละ165บาทค่ะยินดีโฆษณาให้เพราะว่าเป็นหนังสือที่ดีแล้วก็มีประโยชน์จริงๆนะคะนอกจากนี้สถานที่ที่น่าจะมีหนังสือนี้แน่นอนเพราะว่าดิฉันเคยไปมาแล้วก็เจอนั่นก็คือ ส่วโมกกรุงเทพนะคะหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะวัดบวรนิเวศมหาโมกุฎราชวิทยาลัยนะคะมีแน่นอนค่ะจิตนาครตอนที่5วันนี้เป็นตอนที่คู่บารมีเห็นความสับสนวุ่นวายในจิตนาครจจึงได้เข้าตักเตือนนะคะ แล้วก็ขอกำลังมาช่วยเหลือเพิ่มเติมนั่นก็คือขออินทรสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษค่ะขอตัวช่วยเพื่อที่จะมารับมือกับสมุทัยตัวร้ายซึ่งมีทั้งกิเลสตัณหามากมายเข้าแทรกซึมครอบครองจิตใจชาวจิตตานครจนเต็มไปด้วยภัยพิบัติอ่านอ่านดูแล้วรู้สึกว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ โดยเฉพาะคำกล่าวของสมุทไทยที่บอกว่าให้เชื่อสมุทไทยเถอะถ้าเชื่อสมุทไทยเนี่ยชีวิตจะมีความสุขสนุกสนานและก็ร่ำรวยคุณคณเนาะนี่คือเรื่องราวที่เป็นบุคลาลที่สถานนะคะแต่พอที่ฉันอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนจะเป็นคํากล่าวของใครคุณฟัง <tricked> ก <you in life> ็ลองตรองดูกันละกันนะคะในโลกของเราคือในโลกปัจจุบันของเราหรือว่าในประเทศของเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีสองฝักสองฝ่ายยางนีด้วยเช่นเดียวกันนะคือตอนที่หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านนี่ไม่ได้นึกอะไรไปในแง่นั้นแต่ว่าพออ่านอ่านไปเอ้มันคล้ายๆยังไงบอกไม่ถูก แต่ไม่บอกนะว่าฝ่ายไหนเป็นสมุทัยหรือฝ่ายไหนเป็นคู่บารมีอ่านแล้วก็คงก็คงรู้เองเนาะใกล้เคียงเอาละพูดไปทำไมมีไปเที่ยวจิตตานครกันต่อดีกว่าจิตตานครตอนที่หมารู้จักกับอินทรีสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษซึ่งเป็นผู้ช่วยสำคัญนะคะ ที่คู่บารมีของผู้ครองนครเนี่ยจะพาเข้ามาช่วยเหลือเพื่อรับมือกับสมุทรไทยตัวร้ายค่ะเมื่อคู่บารมีเรียกอินทรีสังวรสติสัมปัญญะและสันโดษให้มาเป็นผู้ช่วยเจ้าผู้ครองนครก็ถามว่าอินทรีสังวรทำหน้าที่อะไรอินทรีสังวร มีความสามารถในทางระวังรักษาทางสื่อสารแห่งจิตตะนะครทั้งชั้นนอกชั้นในมีให้คนร้ายหรือว่าฆาสิษศัตรูหมู่ปจัจมิตรทั้งปวงเข้ามาควรที่จะมอบหน้าที่ให้รักษาทางสื่อสารตามถนัดส่วนสติสัมปัญญะมีความสามารถในการอยู่ยามเฝ้าอิริยาบททุกแห่งของจิตตะนะครก็ควรจะมอบหน้าที่ให้เฝ้าอิริยาบททุกแห่งตามที่จัดเจน เหมือนก็เป็นรอปพอนะคะส่วนสันโดษมีความสามารถในทางจัดสรรปันส่วนทรัพย์สินเงินทองที่ดินเรือสวนไร่นาบ้านเรือนเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างทําให้ผู้ที่ได้รับเกิดความพอใจตามส่วนของตนจึงควรมอบหน้าที่ให้เป็นผู้ปันส่วนให้เกิดความพอใจในส่วนของตนนักขสามีก็ตกลงรับอินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะนะคะแล้วก็สันโดษ ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในจิตตนะครตามที่คู่บารมีแนะนาศีลกับวินัยก็เข้าประจำรักษาไตรทวาลของจิตตนะครฮิริโอตปะเข้าทําหน้าที่เป็นนครบาลอินรีสังวรเข้ารักษาระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในสติสัมปชัญญะเข้ารักษาอิริยบทของจิตตานะครทุกแห่งสันโดษก็เข้ามาเป็นผู้จัดปันส่วนสิ่งต่างๆ โดยสุจริตยุติธรรมแก่ทุกๆกคนดังนั้นเมื่อบุคคลของคู่บารมีเข้าปฏิบัติหน้าที่ในจิตตานคร mm hmm. เหตุพิบัติต่างๆในจิตตานครก็ะเริ่มลดน้อยถอยลงโดยลำดับสถานการณ์จึงดีขึ้นเพราะว่าจิตตานครตอนนี้นะคะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติอีกครั้ง ส่วนสมูทยัยก็จําเป็นจะต้องถอยออกไปก่อนสมูทัยก็ต้องหลบหนีไปลคะค่ะเพราะว่าไม่กล้าทนต่อการพิสูจน์ของฝ่ายคู่บารมีแต่การที่สมูทัยถอยร่นหลบหน้าไปนั้นก็ใช่ว่าจะยอมแพ้แบบเต็มรูปไม่ใช่สมูทัยถอยเพื่อที่จะตั้งตัวแล้วก็ลุกให้มากขึ้น เหมือนกับถอยหลังหนึ่งก้าวเพื่อที่จะกระโดดไกลไปอีกหลายก้าวสมุไทยไม่กล้าอยู่สู้หน้าคู่บารมีแต่ก็คิดว่าจะหาใครหนอให้เป็นคู่ปรับกับคู่บารมีได้ไม่เช่นนั้นก็จะต้องคอยถอยให้อยู่เรื่อยไปและคู่บารมีก็ชักจะเข้ามายุ่งมากขึ้นไม่ใช่นานๆจึงจะเข้ามาสักครั้งหนึ่งสมุไทยก็ไตรตรองนึกขึ้นมาได้ว่า คู่อาสวะซึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งของนครสามีน่าจะมีกำลังต้านทานคู่บารมีได้จึงเข้าพบคู่อาสวะชักชวนให้มาช่วยกันกําราบปรา บ, ปร า, บปรามคู่บารมีลงคู่อาสวะก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คอยช่วยสมุทัยอยู่ตลอดแต่ช่วยอยู่ลับๆเป็นการภายในเมื่อคู่บารมีแนะนําอะไรคู่อาสวะก็จะคอยคัดค้านอยู่ทุกครั้ง ด้วยวิธีกระซิบเบาๆที่กกหูหรือว่าที่ใจบางทีก็เหมือนอย่างมาอภิปรายโต้วาทะกันต่อหน้านาครสามีจริงๆคู่อาสะวะก็เป็นคนต่างเมืองต่างถิน่นมิใช่ชาวจิตตานครโดยตรงมาจากต่างเมืองที่ห่างไกลแล้วก็สามารถทำให้นครสามีเกิดความรักใคร่เกิดความเป็นเราเป็นเขาเกิดความงงงวยหลงไหล กลายเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมจนถึงเข้ามาอยู่ประจำองค์นครสามีแล้วก็ไม่ยอมออกห่างสามารถที่จะเรียกว่าคู่ได้จึงกลายเป็นคู่อาสวะคู่อาสวะจึงถือตนว่าเป็นคนในเช่นเดียวกับคู่บารมีคู่อาสวะไม่ไม่ค่อยจะยอมถอยหลังเมื่อคู่บารมีเข้ามาทั้งยังคอยกระซิบใจนครสามี โตแย้งคัดค้านมีให้เชื่อคู่บา ร, รมีแต่ให้เชื่อสมุทยัยคูบา ร, รมีเองเมื่อถูกปะทะบ่อยเข้าก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งเข้าประจำนครสามีแล้วก็แนะนําตักเตือนบ่อยครั้งเมื่อถูกโต้แย้งมาคูบา ร, รมีเมื่อถูกโต้แยง้งก็มักจะโต้อตอบกลับไปตามสัจจะคือความจริงทําให้นครสามีเกิดความลังเลสับสนเรียกใช้ฝ่ายนี้บ้างฝ่ายโน่นบ้าง บางทีก็เรียกใช้ทั้งสองฝ่ายโดยแบ่งปันขอบเขตหรือส่วนสิ่งกันเช่นไตรทวารของจิตตานครบางคราวศีลและวินัยเข้ารักษาทั้งหมดบางคราวทุจริตเข้ายึดไปได้จากศีลทั้งหมดบางคราวศีลวินัยรักษาไว้ได้แต่บางส่วนบางสิ่งทุจริตยึดไปได้บางส่วนบางสิ่งส่วนทีรีโอตาปะที่ทาหน้าที่นครบาลเที่ยวตรวจตรา ทั่วจิตตนครในบางเวลาถูกตันหาซึ่งเป็นพักพวกของสมุไทยรังแกขับไล่ไปในบางเวลาคือไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยราบรื่นเช่นเดียวกับอินทรีสังวอนและสติสัมปชัญญะแล้วก็สันโดษคือปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเป็นครั้งคราวหรือว่าในบางส่วนเพราะว่าพักพวกของสมุไทย มักเข้ายุดหน้าที่ในบางคราวหรือบางส่วนเช่นกันเพราะฉะนั้นสถานะของจิตตาณครจึงมีทั้งสงบสุขทั้งทุกข์เดือดร้อนถ้าเป็นสีก็เหมือนสีขาวดำมีทั้งดีทั้งชั่วนี่คือสภาพของจิตตาณครที่ก็เหมือนกับบ้านเมืองทั่วไปที่ไม่ได้มีสีใดสีหนึ่งแต่เพียงสีเดียว มาถึงเรื่องศาสนาในจิตตนครกันบ้างนะคะเรารู้จักส่วนต่างๆสิ่งต่างๆในจิตตนครหรือว่าโครงสร้างโดยรวมมามากแล้วนะคะคราวนี้ลองมารู้จักกับศาสนาในจิตตนครว่าเป็นอย่างไรในจิตตนครก็มีศาสนามากมายมีครบทุกศาสนาเหมือนดังที่มีอยู่ในโลกพุทธศาสนาก็ได้มีอยู่ในจิตตนครเช่นเดียวกัน ศา ส, สนาทั้งหลายที่มีมาก่อนและที่มีในภายหลังก็ดูคล้ายๆกับมีในจิตตนครโดยครบถ้วนแต่ชาวจิตตานครนับถือศาสนากันอีกแบบหนึง่งต่างจากโลกภายนอกค่ะเมื่อพระพุทธองค์ยังเป็นพระโพธิสัตย์ยังมีได้ตรัสรู้มีพระปณิธานต่อพระโพธิญาณทรงบำเพ็ญพระบารมีส0บประการคือทานศีลเนคข ม, มะปัญญาวิริยขันติสั จ, จ อธิษฐานะเมตตาอุเบกขาอย่างเต็มที่เมื่อพระประมีแก่กล้าขึ้นก็ได้สรงละทางที่ผิดสรงพบทางที่ถูกต้องขึ้นโดยลำดับจนถึงได้สรงพบมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่ข้องแวะด้วยทางที่พัวพันด้วยสุขสดในกามและไม่ข้องแวะด้วยทางทรมานตนให้ลำบากเปล่าคือทางมีองค์8ประการได้แก่ความเห็นชอบความดาริชอบวาจาชอบ การงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบสติชอบสมาธิชอบในวันที่จะตรัสรู้พระโพธิญาณได้ทรงตั้งจัตุรงค์ขมหาประทานคือความเพียรประกอบด้วยองค์สี่ว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากยังไม่ทรงบรรลุธรรมที่จะพึงบรรลุได้ด้วยกําลังเรี่ยวแรงของบุรุษจะไม่ทรงลุกขึ้นจากที่นั่งอันนี้ ทรงตั้งความเพียรยกเอาเลือดเนื้อหนึ่งหนังหนึ่งเอ็น1กระดูกหนึ่งรวมสประการขึ้นอ้างอิงจึงเรียกว่าประกอบด้วยองค์สีครานั้นสมุทัยกับพรรคพวกเห็นพระโพธทธัตว์ทรงปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่พอใจเพราะนี่เป็นการปฏิบัติที่จะพ้นจากอำนาจของตนจึงได้พยายามขัดขวางต่างตตั้งแต่แรกเช่นเมื่อพระมหาสัตว์ซึ่งครั้งเป็นพระสิทธะราชกุมารทรงสละราชสมบัติ ทรงม้ากันทกะมีนายชนะเป็นสหายเสด็จออกจากพระนครมานก็ได้มายืนอยู่ที่ประตูนครกล่าวห้ามว่ากลับเสถเธอรสิทธะจักรรัตนสมบัติจะมีปรากฏแก่พระองค์ในวันที่เจ็แต่วันนี้พระสิทธะราชกุมารตรัสว่าดูก่อนมานเรารู้จักท่านเราไม่ต้องการด้วยจักรรัตนสมบัติมานก็ถามต่อว่า ถ้าเช่นนั้นพระองค์ต้องการอะไรพระองค์ตอบว่าเราต้องการพระสัพพัญยุตยานคือความตรัสรู้ธรรมทั้งปวงถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าพระองค์จักคิดไม่ดีสักอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าคิดไปในกามข้าพเจ้าจะรู้กิจที่พึงทำแก่พระองค์มานที่เล่าถึงในเรื่องนี้ก็คือสมุทัยกับภักพวกนี้เอง ซึ่งเป็นผู้คอยขัดขวางทำลายความเพียรเพื่อโพธิญาณของทุกๆคนแต่สมุไทยไม่ยอมรับคำนี้และก็ไม่ชอบคำนี้เช่นเดียวกับคนทำชั่วทั้งหลายที่ไม่ชอบให้ใครตราหน้าว่าเป็นคนชั่วคนทุจริตสมุไทยชอบแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างเสริมความสุขความดีงามทั้งปวงชอบที่จะให้ใครๆเข้าใจตนไปเช่นนั้นและก็พูดถึงเช่นนั้น สมุทไทยได้ติดตามหาโอกาสในการที่จะทำลายความเพียรและความตั้งใจของพระมหาศัตต์ตั้งแต่เสด็จออกพนวดเรื่อยมาจนถึง6ปีทุกคนก็มีสมุทไทยคือมารคอยติดตามขัดขวางการทำความดีอยู่เสมอความมีสติรู้เท่าทันจะทำให้สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมารดำเนินงานปัญญาและความเพียรจะทำให้สามารถเอาชนะมารได้ เป็นขั้นๆไปตามกำลังของปัญญาและความเพียรพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ก็ทรงมีสติสำรวมระวังความคิดของพระองค์เองมิให้เป็นอกุศลวิตตกคือคิดไม่ดีอยู่ตลอดเวลาแม้มีความคิดไม่ดีแลบเข้ามาบ้างก็ทรงมีสติพิจรารณาระงับเสียโดยเร็วพลัน ดังที่พระองค์ได้ตรัสแสดงถึงการปฏิบัติของพระองค์เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ว่าได้ทรงทำวิตตกคือความคิดเป็นสองส่วนคืออกุศลลวิตกส่วนหนึ่งกุศลลวิตกส่วนหนึ่งโดยทรงทำความรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นตามเป็นจริงพร้อมทั้งรู้โทษและคุณอกุศลลวิตกจึงระงับดับหายไปเหลือแต่กุศลวิตก แต่ถ้าคิดไปแม้จะเป็นกุศลมากไปก็จะเกิดโทษเช่นความเหน็ดเหนื่อยฟุ้งซ่านจึงทรงสงบความคิดทำพระจิตให้ตั้งมั่นไม่วันวหวสมุทัยจึงไม่ได้โอกาสที่จะแทรกซึมเข้าไปทางความคิดที่ไม่ดีและเมื่อเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติจริงไม่วันวหวสมุทัยก็เกิดวันวาขึ้นเองวันไหวว่าพระองค์จะทรงพ้นไปจากอานาจของตนเป็นแน่แล้ว จึงให้ระดมพลเสนาทั้งสิ้นเข้าโจมตีพระโพธิสัตว์ณคนะวงไม้โพธิพฤกษ์ในวันที่พระองค์จะตรัสสรู้เพราะเห็นว่าจะรอช้าต่อไปมิได้อีกแล้วฝ่ายพระมหาสัตย์เมื่อได้ทรงตั้งจารรมคมหาปธานแล้วได้ทรงเสียงพระบารมีเรียกพระบารมีทั้งปวงมาช่วยพร้อมทั้งปุรุดโยธาอีกเจ็จำพวก คือสัทธาพล์วิริยพล์สติพลสมาธิพลปัญญาพลฮิริพลโอตปะพลพระบารมีทั้ง30ทัศพร้อมทั้งบุุษโยธาก็มาประชุมพร้อมกันป้องกันพระมหาสัตว์สมุทัยกับพักพวกที่เรียกว่ามารและเสนามารก็ไม่อา จ, จเข้าใกล้ถึงพระองค์ได้แต่ก็พยายามที่จะแสดงอาการคุกคามด้วยอาการต่าง อย่างน่าสะพึงกลัวบุรุษโยธาทั้งเจ็ดจำพวกถ้าอ่านตามแบบภาษาบาลีก็คือสัทธาภละหรือว่าพลังวิริยะภละสติพละสมาธิพละปัญญาภละฮิริพละโอตปะภละนั่นเองนะคะพละหรือว่าพลังติดตามเรื่องราวตอนพระมหาสัตภิ์จนมาได้ในช่วงหน้านะคะ ห้งสมุดหลังไม่โดยรศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองกำลังสนุกทีเดียวนะคะสำหรับเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าระจญมางจากหนังสือจิตตนคอนพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสที่ห้องสมุดหลังไม้ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมเรียนรู้กับพระนิพนธ์ของพระองค์เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแดบบ่พระองค์จากผลงานอันทรงคุณค่าที่พระองค์ได้ฝากเอาไว้ให้ชาวพุทธชาวไทยได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือจิตใจของเราจิตตนาคร น, นาครหลวงแห่งโลกแห่งชีวิตมาถึงบทที่ชื่อว่าพระมหาสัตย์ผจมานะคะ เล่าเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธองค์ผจญกับมารทั้งหลายมารที่ไม่ยินดีจะให้ใครเรียกตัวเองว่ามารเหมือนกับคนชั่วที่ไม่ยินดีให้ใครเรียกว่าคนชั่วก็เหมือนกับเราเวลาที่เราทําความชั่วทําอะไรที่ไม่ดีเราก็มักจะมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองแล้วก็ไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นคนชั่วหรือว่าทําอะไรที่ไม่ดีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่าน เป็นนักอ่านอย่างยิ่งยวดนะคะว่ากันว่าในตําหนักของพระองค์มีแต่ตํารับตําราทรงอ่านหนังสือมากทําให้พระนิพนธ์ของพระองค์นั้นมีสเสน่ห์น่าอ่านเข้าใจง่ายแต่ว่าลุ่มลึกแล้วก็ภาษางดงามสละสลวยอ่านสนุกด้วยนะคะเหมือนอย่างจิตตานครที่ดําเนินเรื่องในแนวบุคราธิสถานสมมุติเป็นตัวละคร เพื่ออธิบายเรื่องที่มันซับซ้อนสับสนให้ผู้คนอย่างเราๆเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะติดตามด้วยความสนุกสนานเอาละมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับช่วงที่2ค่ะกับเหตุการณ์ในช่วงที่พระพุทธเจ้าระจนมารก่อนที่จะตรัสรู้ค่ะลองมาดูการทำงานแท็กทีมของฝ่ายมารฝ่ายพระมหาศัตวย์มีได้ทรงพรั่นพึง มีพระหรุไทยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและเพื่อที่จะทรงรเผด็จศึกมานทรงยกพระดัชนีชี้ที่พื้นมหินตราเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบรารมีมาครบถ้วน30สทักด้วยอานาจแห่งโพธิสัมภารทรณีก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสักขีพยานและด้วยอานาจแห่งน้ำพระหรุไทยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาก็ปรากฏ อุทกะทาราจากธรณีหลังไหลพัดพามานและผลพยุหะเสนาออกไปจนหมดสิน้นดังที่ปรากฏในภาพคิดเขียนเป็นรูปพระพุทธเจ้าระจนมาพบเห็นได้ตามจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์หลายแห่งที่เป็นรูปพระองค์ประทับบรรลังยาขาภายใต้โพธิพฤกษ์พระหัตควาพาชี้ลง มีรูปนารียืนอยู่ใต้บอลลังบิดน้ำในมวยผมที่ไหลหลั่งออกมาเป็นท่อทารานองทั่วหมู่มานเสนาทั้งหลายรูปนารีนี้หมายถึงธรณีจึงเรียกรู้กันว่าพระนางธรณีบิดมวยผมในภาพเขียนเป็นรูปหมู่มานเสนาอยู่สองข้างพระพุทธองค์ข้างหนึ่งกำลังเงื้อเงื้ออาวุธนาน า, นานชนิดเพื่อทำร้ายพระองค์ มีพยามาลสถิตยอยู่เหนือคอช้างชื่อคิรีเมฆระมีพาหะข้างละพันทรงอาวุธต่างๆเหล่านี้ถูกน้ำท่วมพ่ายแพ้ไปและน้ำในมวยผมนั้นหมายถึงน้ำทักซีโนโทกที่พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญทานบารมีหลังลงบนแผ่นดินตั้งแต่เบื้องต้นก็มากมายยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรพระมหาสัตว์ทรงชนะมาร และเสนาตั้งแต่เวลาเย็นก่อนที่อาทิตย์จะอัสดงเมื่อพระมหาสัตว์ทรงผจนมานและทรงชนะมานและเสนามานตั้งแต่ก่อนอาทิตตกในวันที่จะตรัสรู้ทรงดําเนินปฏิบตัติต่อไปในมัชชิมาปฏิปทาก็ทรงบรรลุถึงพระญาณทั้งหลายดังที่ได้ตรัสเล่าแก่พระสาวกในภายหลังโดยย่อว่าทรงได้สมาธิแน่วแน่แล้ว ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธิไปเพื่อรู้ก็ทรงได้พระยานคือความรู้ขึ้นโดยลำดับจนถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณคือความตรัสรู้ในพระจัตุราริ ย, ยสัตว์ทรงทำลายกิเลสอาสวะอนุสัยในสันดานให้สิ้นไปหมดดังที่เรียกว่าได้ตรัสรู้พระธรรมในปัจฉิมยามแห่งราตรีนั้น บังเกิดพระนามพิเศษขึ้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระสัมโพธิญาณนี้เรียกอีกดึงอีกอย่างหนึ่งว่าพระสัพพัญยุตยานแปลว่าพระญาณคือความรู้ธรรมทั้งหมดและเรียกพระนามพระพุทธองค์ผู้ทรงได้พระญาณนี้ว่าพระสัพพัญอยู่แปลว่าพระผู้รู้ธรรมทั้งหมด เมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ประทับเสวยวิมุติสุขนักขวงไม้ต่างๆต่อมาหลายสัปดาห์ในสัปดาห์ที่5ท่านแสดงว่าได้ประทับที่ควงไม้อัชบาล น, นิโครดซึ่งมานก็ยังไม่หยุดยังได้พยายามตามมารบกวนอีกมีเรื่องเล่า ว, ว่ามานนั่งเสียใจอยู่ที่หนทางใหญ่ ว่าเสียแรงได้ติดตามหาช่องทางที่จะขัดขวางการตรัสรู้มานานถึงเพียงนี้ก็ไม่พบความผิดพลาดอะไรแต่บัด น, นี้พระองค์ทรงล่วงวิสัยอำนาจของมารไปเสียแล้วคำว่ามารที่เรียกในที่นี้เป็นการเรียกตามพระพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวแล้วนะคะว่าผู้ที่ถูกเรียกคือสมุ ท, ทยัยไม่ชอบใจ ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครๆ ร, รู้จักเข้าใจตนว่าเป็นมารแต่ก็ไม่อาจจะปิดบังสัญชาติที่แท้จริงของตนได้พระองค์ทรงเรียกกระบุตรงๆว่ามารทุกๆครั้งที่สมุทัยเข้ามาในขณะที่มารหรือสมุทยัยนั่งคิดด้วยความระทมจิตระทมใจอยู่นั้นทิดา ท, ทั้งสามของมารคือนางตัญหานาง อ, อรตีและนางราคา เห็นบิดาหายไปจึงเที่ยวค้นหาเมื่อพบบิดานั่งทุกอยู่จึงไต่ถามความแล้วก็รับอาสาจะไปนำพระองค์มาไว้ในอำนาจของบิดาอีกสมุทัยกล่าวห้ามว่าไม่มีใครสามารถจะทำพระองค์ไว้ในอำนาจได้แต่ทิดาทั้งสามบอกว่าพวกตนเป็นสตรีย่อมรู้วิธีที่จะผูกใจบุรุษเพศจะใช้บ่วงราคะผูกจูงมาให้จงได้ ขอบิดาอย่าได้วิตกครั้นแล้วนางทั้งสได้เข้าไปหาพระพุทธองค์กล่าวทูลว่าจะขอบีบนวดพระยุคนระบาดพระพุทธองค์ไม่ทรงใส่พระไทยในถ้อยคําของนางทั้งสาทั้งไม่ทรงลืมพระเนตรขึ้นดูที่ตามานคิดว่าบุรุษทั้งหลายมีรสนิยมที่แตกต่างกันบางคนชอบเด็กๆ บางคนชอบสตรีวัยแรกบางคนชอบวัยกลางบางคนชอบคนแก่ก็มีจำจับปล้วปะโลมพระองค์ด้วยประการต่างๆจึงแสดงบิดเบือนตนเป็นสตรีเพศเป็นอันมากเช่นเป็นเด็กรุ่นสาวผู้ยังไม่มีบุตรเป็นผู้ที่มีบุตรแล้วคนหนึ่งสองคนเป็นสตรีวัยกลางจนกระทั่งถึงเป็นสตรีชาราคือครบทุกอย่าง ทุกแบบหลากหลายมากเข้าไปเฝ้าพระองค์6ถึง7ครั้งพระพุทธองค์ทรงเข้าสมาบัติสเสวยวิมุตติสุขไม่ได้สนพระไทยเลยตรัสว่าผู้ใดชนะกิเลสเด็ดขาดแล้วไม่กลับแพ้ไม่มีกิเลสอะไรในโลกจะมาต่อแย่ได้ผู้ใดไม่มีตัณหา ที่เหมือนอย่างตาข่ายคล้องใจให้ติดนำไปที่ไหนๆเจ้าทั้งหลายจากนำผู้นั้นซึ่งเป็นผู้รู้มีที่เที่ยวไปแห่งพระยานไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีร่องรอยด้วยร่องรอยอะไรเล่าทิดามานได้ฟังดังนั้นก็อันตรธานหายไปนี่คือเรื่องการผจญมานของพระพุทธเจ้าตลอดจนการที่ทรงผจญทิดามาน จนได้รับชัยชนะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าผู้ทรงอุบัติขึ้นในโลกเมื่อประมาณ45ปีก่อนพุทธศักราชกลับมาที่จิตตานครปัจจุบันนี้นอกจากพุทธศาสนาก็มีศาสนาต่างๆสั่งสอนกันอยู่ในโลกหลายศาสนาแต่เป็นข้อที่แปลกอย่างยิ่งที่ในจิตตานครมีอยู่เพียงสองศาสนาเท่านั้นคือพุทธศาสนา และสมุทัยศาสนากับมีข้อที่ยิ่งแปลกคือพระพุทธเจ้าในจิตตาณครหาได้เสด็จดับขันธะปริญญนิพพานเหมือนองค์พระพุทธเจ้าในโลกไม่พระพุทธองค์อย่างทรงดำรงอยู่ซึ่งผู้ที่เห็นธรรมเท่านั้นจึงจะเห็นพระองค์ได้ดังที่ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา สำหรับที่บอกว่าในจิตนครมีสองศาสนาคือศาสนาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับสมุทัยศาสนาสมุทัยศาสนาคืออะไรสมุทัยศาสนาคือศาสนาคําสั่งสอนของสมุทัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ามาร น, นั่นเองถามว่ามารหรือสมุทัย ก็มีศาสนาด้วยหรือท่านภูนิพ p o n กล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาในจิตตนครฝ่ายสมุทไทยกับคู่อาสวะเกรงว่าพระองค์จะทรงทำชาวจิตตนครให้เป็นพุทธบริษัทไปเสียหมดและตนก็จะเสื่อมถอยอำนาจจะสิ้นอำนาจครองใจคนต่อไปจึงเห็นว่าจะต้องตั้งศาสนาขึ้นต่อต้านแต่การจะตั้งศาสนาขึ้น จำต้องแสดงตนเป็นศาสดาสั่งสอนลัทธิปฏิบัติที่ชวนให้โลภโกรธหลงสมุทัยได้ใช้ให้โลภโกรธหลงคอยคุมใจผู้คนแล้วก็สอดแทรกอยู่ในใจของผู้คนอยู่แล้วสมุทัยจึงแสดงตนเป็นศาสดากล่าวสั่งสอนลัทธิปฏิบัติต่างกล่าวสอดแทรกโลภโกรธหลงหรือกิเลส ต, ตัณหาพร้อมทั้งอารมณ์ล่อให้เห็นเป็นรูปนิมิตจริงๆ เช่นเห็นเป็นเทพเจ้ามาปรากฏองค์ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบบอกกล่าวข้ออนุสาดบางอย่างเมื่อใส่โลบเข้าไปในใจแล้วสมุทัยก็รู้ว่าสอนวิธีให้ได้สมโลบบ้างก็จะเกิดความนับถือเมื่อใส่หลงเข้าไปในจิตใจแล้วสมุทัยก็รู้ว่าหลงไหลในโลกไม่อยากจะตายอยากจะอยู่สวยสุขชั่วนิรันต์ก็สอนเรื่อง ภูมิแห่งสุขนิรันดรเช่นนั้นจึงเกิดเป็นศาสนาขึ้นอีกศาสนาหนึ่งเรียกให้ต่างจากพุทธศาสนาว่าสมุทัยศาสนาหรือมารศาสนามารศาสนาตรงข้ามกับพุทธศาสนาคือถ้าพุทธศาสนาสอนให้ไปทางทิศตะวันออกมารศาสนาก็สอนให้ไปทางทิศตะวันตกสอนข้านกันอยู่เช่นนี้ พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พ้นไปจากอำนาจสมุทัยส่วนสมุทัยสอนให้ผูกพันไว้ไม่ปล่อยให้หลุดพ้นไปได้ชาวจิตตานครจึงพากันภวะผวาหวังบางคนนับถือทางนี้บางคนนับถือทางโน้นคนเดียวกันบางคราวนับถือพระบางคราวนับถือมารด้วยเข้าใจว่าเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปก็มี ถามว่าใครเป็นผู้นำาศาสนาทั้งสองเข้าไปสั่งสอนในจิตตาครสำหรับมารศาสนาหรือสมุทัยาศาสนานั้นผู้ที่นำเข้าไปก็คือคู่อาสวะนั่นเองคู่อาสวะเป็นผู้นำมารศาสนาหรือสมุทัยาศาสนาเข้าไปแล้วก็คอยแนะนำนครสามีให้นับถือส่วนพุทธาศาสนาก็คือาศาสนาที่คู่บารมี ของนครสามีเป็นผู้นำเข้าไปแล้วก็คอยแนะ น, นํานครสามีให้นับถือตอนแรกๆนกครสามีก็เอ็นเอียงไปทางคู่อาสวะมากทําให้สมุทัยกับพรรคพวกครองอํานาจในจิตตนครได้อย่างเต็มที่ควบคุมระบบสื่อสารทั้งหมดคุมชาวจิตตนครทั้งหมดคุมไตรทวารของจิตตนครทั้งหมดต่อมาเมื่อความยุ่งยากความทุกข์เดือดร้อนเกิดมากขึ้น เพราวะว่าพักพวกอาสวะเกิดชล่าใจประพฤติทุจริต จ, จะแจ้งมากขึ้นทุกทีจนชาวจิตตานครเริ่มรู้สึกถึงความชั่วร้ายของพระพวกสมุทยัยคู่บารมีจึงมีโอกาสเริ่มเข้าพบแนะนำ น, ำนครสามีให้เรียกศีลและฮิริโอตปะมาใช้ในกิจการบ้านเมืองดูบ้างตามคำแนะนำสัง่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาครสามี เห็นว่าบ้านเมืองเดือดร้อนก็ยอมปฏิบัติตามโดยเรียกศีลมาใช้ศีลวินัยฮีริโอตปะนะคะพุทธศาสนาจึงเริ่มเข้าสู่จิตตะนครเป็นเหตุให้สมุไทยวาดสดุง่งหาโอกาสเข้ามายุแย่นครสามีให้เลิกใช้ศีลและฮีริโอตปะแล้วก็ให้กลับไปใช้พักพวกของสมุไทยตามเดิม แต่ครั้นความทุกข์ความเดือดร้อนกลับเกิดขึ้นมาอีกคู่บารมีก็ให้สติตักเตือนนครสามีให้เรียกศีลกับพิริโอตะปะกลับมาใช้อีกและคราวนี้คู่บารมีเสริมกําลังเพิ่มโดยเรียกอินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษให้มาช่วยศีลกับฮิริโอตะปะฝ่ายสมูทัยก็ไปขอให้คู่อานสวะมาช่วยเสริมกําลังให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าสมูทัยนั้นปกติแล้วกลัวคู่บารมี ไม่กล้าสูหนา้าต้องอาศัยคู่อาสวะซึ่งนับว่าเป็นฝ่ายข้างในของนครสามีเข้ามาช่วยสนับสนุนคู่อาสวะจึงเป็นคู่ปรับสำคัญของคู่บา ร, รมีแต่เป็นพวกสมู ท, ทัยคู่อาสวะแนะนำนครสามีให้เลิกใช้ผู้ที่เป็นคู่บา ร, รมีเข้ามาเมื่อเห็นว่าไม่อาจให้นครสามีเลิกใช้ได้ทั้งหมดเพราะว่านครสามีก็ฟังคู่บา ร, รมีอยู่มาก ก็แนะนําให้เรียกใช้ฝ่ายสมุทไทยด้วยเพราะจะทําให้บ้านเมืองสนุกสนานและเจริญฝ่ายนครสามีฟังทางโน้นบ้างฟังทางนี้บ้างในที่สุดก็เรียกใช้ทั้งสองฝ่ายเพราะมีอยู่ทั้งคู่อาสวะทั้งคู่บารมีในจิตตานครจึงมีทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศล ศา ส, สนาก็มีทั้งพุทธศาสนามารศาสนาต่างก็แสดงสั่งสอนแก่ชาวจิตตนครกันอย่างเต็มที่ชาวจิตตนครดูดูแล้วก็น่าจะเหมือนชาวโลกทั่ ว, วไปซึ่งต่างก็ทำดีบ้างชั่วบ้างเพราะความดีความชั่วย่อมมีอยู่ตามธรรมดาโลกแต่มีข้อต่างกันที่ชาวจิตตานครเป็นผู้นับถือศาสนาด้วยกันทั้งนั้นถ้ามิใช่พุทธศาสนิกชน ก็เป็นมานศาสนิกที่จะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยนั้นหามีไม่และข้อที่เห็นว่าแปลกอีกข้อหนึ่งก็คือโดยมากนับถือกันทั้งสองศาสนาอย่างเปิดเผยเมื่อคนมีทั้งคู่บา ร, รมีคือฝ่ายดีและคู่อาสวะคือฝ่ายชั่วคอยกระซิปอยู่ตลอดเวลาจึงย่อมจะทําดีบ้างทําชั่วบ้างเชื่อเสียงคู่อาสวะบ้างเชื่อเสียงคู่บา ร, รมีบ้าง ปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้นที่จะทําให้เห็นชัดถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเสียงของคู่บา ร, รมีคือเสียงของฝ่ายดีที่ควรฟังควรเชื่อและควรปฏิบัติตาม <ST adjust> เสียงของคู่ <S <S อาสวะคือเสียงของฝ่ายไม่ดีไม่ควรฟังไม่ควรเชื่อและไม่ควรปฏิบัติตามปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้นที่จะทําให้ตัดสินลงไปได้ถูกต้องว่าเสียงไหนคือเสียงของฝ่ายดี และเสียงไหนคือเสียงของฝ่ายชั่วนอกจากปัญญาและเหตุผลแล้วจะไม่มีอะไรทำให้รู้ได้ด้วยตนเองห้องสมุดหลังไมโดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง